ขอความเจริญในธรรมจุมีแดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่หลงประโพธิยานได้นำเสนอพุทธุทานในช่วงที่เสด็จกระทับนาต้นมุจลินหรือต้นจิกเชื่อมุจลินก็ในวันที่เจ็ดนั่นเองก็ทรงเปล่งพระพุทธุทานซึ่งได้ขยายข้อความค่อนข้างพิสดารออกไปมาตามลำดับ ต่อไปก็เป็นข้อสุดท้ายคือการกาจัดอัศมิมานะเสียได้นั่นแหละเป็นสุขอย่างยิ่งคำว่าอัศมิมานะนั้นคือเป็นความรู้สึกที่หลงประเด็นของชีวิตเข้าใจว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็ น, นอย่างโน้นแล้วก็เป็นเราจริงๆแต่ลักษณะของสมมติที่ทับซ้อนกันไปเรื่อยๆ มันสืบเนื่องมาจากเรารู้สึกว่าเราเป็นอัตาตัวตนหรือเป็นตัวเป็นตนพอเมื่อเป็นตัวเป็นตนก็อพอสมมติทับลงไปเราก็รู้สึกเราเป็นอย่างนั้นก็เป็นกันได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดตีเสมอให้เกิดการดุมบินให้เกิดการกดขี่รังเกียจคน ปลายเป็นพวกระบบปัญณะระบบชนชั้นระบบผิวพรรณระบบภูมิภาคระบบอะไรแต่อะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นีค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วกลายเป็นปัญหาทวรที่บางครั้งบางคราวท่านใช้คำว่าอาหังการมัมมังการอาหังการก็คือรู้สึกว่าเราเป็นหรือ ว, ว่าเป็นตัวเป็นตนมัมมังการก็รู้สึกว่าอันนั้นเป็นของเรา แล้วก็คอยคว้าปรารถนาเพื่อจะถือครองครอบครองจะโกรธ จ, จะไม่พอใจในเมื่อมีคนอื่นก็ขัดขวางแต่มาน้านั้นเป็นกิเลสที่ละเอียดเราจะเห็นว่าในแง่ของสังโยชน์นี่นามานะก็อยู่ระดับข้อที่ที่แปดนะข้อที่แปด เก้า็อุทาจจะแล้วก็สิบก็อวิชาตอนมานะบางระดับเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นต้องมีแต่ว่าอยู่ในสัดส่วนที่สมควรเช่นมานะว่าเราเป็นภิกษุก็ถือตัวว่าเป็นภิกษุแล้วก็พยายามปฏิบติปฏิบัติตัวใ้เหมาะสมกับ ค, ความเป็นภิกษุ มาหน้าบริวราเป็นกษัตริย์ก็พยายามปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับความเป็นกษัตริย์มาน้าบริวราเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นสามีเป็นพัญญาเป็นนักศึกษาหรืออะไรนี่แล้วก็ทําตัวให้เหมาะสมแก่สถานะทรงนั้นบางครั้งตรงนี้ท่านใช้คมสัญญาคือความสํานึกยอมรับสถานะภาพของตนก่อในแง่จริงๆก็คือการสมมุติเรา แต่ปฏิบัติไปถูกต้องไปตามหลักการที่มีการสมมติในการบัญญัติกันประเด็นสำคัญที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมาณนะแต่เราลองสังเกตเหตุการณ์ต่างๆในยุคพุทธกาลที่เราเรียนอะไรเยอะเนี่ยเอาป ร, ประวัติของราชวงศ์สากยะก็แล้วกันคือมันเกิดมาณนะจนมาถึงตั้งแต่เริ่มสร้างสร้างวงนะี่ คือไม่ยอมแต่งงานกับคนในวันหน้าอื่นโดยถือว่าเป็นวันณนไม่บริสุทธิ์เลยก็ไม่รู้จะแต่งกับใครพี่ชายก็ต้องแต่งงานกับน้องสาวก็จับคู่กันก็แปดคนก็สี่คู่ผู้หญิงสีผู้ชายสี่ก็พี่สาวไปเป็นฐานะเหมือนกับมารดาแล้วต่อมาเมื่อพี่สาวไปสร้างวงขึ้นมาที่เรียกว่าโกุลีวงในกรุมเทวทหาร กับพระเจ้ารามเนะ่ยมันก็แต่งงานไข่สลับกันอยู่ในราชวงศ์แล้วก็ถือตัวที่ค่อนข้างจัดขนาดกับพระพุทธเจ้าเองนะฮะตอนเสด็จมาเยี่ยมในคราวแรกพระยาที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ยอมถวายบังคมไม่ยอมแสดงความเคารพโดยถือว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่กว่าจะให้พระพุทธเจ้าถวายบังคมพูะเจ้ า, าก็ถวายบังคมไม่ได้นะฮะ คือใครก็ตามที่คนระดับพระพุทธเจ้าไปไปไหว้เข้าเนี่ยมันเป็นอับประมง ค, คนแก่คนเรา้นก็ตามหลักท่านบอกว่าศีรษะจะต้องแตกเป็นเจ็ดสีง่งแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยไหว้ใครคสิ่งเหล่านั้นก็จึงไม่เกิดขึ้นในคราวนั้นพระพุเจ้าต้องใช้วิธีการแสดงอิทธิ ป, ปาฏิหาริย์เลือลอยขึ้นสู่เบื้องณภาการ จะปก็เสด็จจงกรมอยู่เบื้องนาผักกันก็คล้ายๆกับจะเกลี่ยละองธุรีพระบาทลงบนเสียงของพระปริยรยาตในมาสมาคมทรนั้นจึงละพย์ลดทิฐิลงไปได้จะต้องกำราบเป็นเยอะนะครับในสิ่งที่เป็นตัวกระตุน้น ใ, ให้เกิดความอยากนี่ท่านมีการจับแนกแสดงไว้ไวพิสดานะเป็นการศึกษาในรูปจิตวิเคราะห์คือวิเคราะห์ถึงสภาพจิตของคน แต่มันสืบเนื่องมาจากอัตตานะคือท่านได้เคยได้ยินได้ฟังคําสอนที่เกี่ยวกับระดับค่อนข้างสูงนะฮะระดับพิปัสสนากันไปเนี่ยพระเจ้าทรงใช้คำวมเอตังมามะเอโสมิทธเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาเอตังมามะนั่นเป็นของเราเอโสหมัสสมิตรงเนี้ยอัสมิมานาเนี่ยเราเป็นนั่นเป็นนี้เป็นโน้นนะฮะแล้วก็เอโสเมอัตตานั้นเป็นตัวเป็นตนของเรา แต่มันยังถือปรีกย่อยออกไปอีกเป็นอันมากอาการที่จิตมันฟูขึ้นโดยไปเกาะยึดตัวไหนเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ให้ความสำคัญแก่สถานะตรงนั้นของตนเองนะฮวันสิ่งที่นํามาให้ความสำคัญเนี่ยอาจจะชาติสกุลชาติหรือสกุล น, นะฮะเราองสังเกตว่าจังชนพวกพวกอาหรับกับพวก อ, วก อ, อิสราเอลเนี่ย แระลับมองพวกอิสราเอลว่าเป็นคนปาเทือนปุยเยอรมันก็เหมือนกันนะฮะถือว่าตัวเองเป็นอาณานิมองอิสราเอลเป็นคนปาดเทือนก็อมองได้ายๆไม่ใช่คนน่จะต้องพยายามเขียนฆ่าทำลายล้างเราลองดูสังเกตว่าเขาลบกันมาตั้งเป็นห้าพันปีนะเขาลบกันมาอย่างเงี้ยเพราะแต่ละฝ่ายต่างถือว่าชาติสกุลตัวเองสูงกว่า แต่ไม่นว่าความสูงความต่ำของมนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่การกระทำของมนุษย์เองมนุษย์จะสูงก็ได้ใจที่สูงมนุษย์ต่ำก็ได้ใจที่ต่ำพฤติกรรมมันก็ต่ำกันพูดก็ต่ำการคิดก็ต่ำการกระทำก็ต่ำพอหลงประเด็นอย่างนี้มันก็ยุ่งไปหมดเลยเอาชาติสกุลอย่างเดียวเนี่ยราชวงศ์ศักยะก็คือคือเนี่ยชาติชถตาสกุลชาติโคตน ะ, ะพูดต่งางงานต่างชาติต่างโคตก็เอาวรรณะษัตริย์ ในปีสุดท้ายแห่งประชาชนมาชีพของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระประยุรญาตถูกราชวงศ์ถูกพระเจ้าวิทูตภะยกกองทัพมาถลม่มถลายตายกันเยอะเลยเพราะมีการตังเกลียดกันโดยชาติสกุลพระเจ้าวิทูตภะจริงๆถ้าพูดโดยศักดิ์ก็คือเป็นหลานของพระเจ้าม า, านามพระเจ้าม า, านามก็เป็นอนุชาของพระพุทธเจา้า แต่พอดีก็เป็นเกิดการนางทศีเท่านั้นเองปราจิบิดาของท่านก็คือพระเจ้าประสิทินิโกสนนฮะดูแล้วก็ไม่น่าจะวุ่นวายอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่าพาะไปแสดงอาการรังเกียจ ด, ดูถูกดูหมิ่นกันมากเกินไปแลาไวไปฝ่ายหนึ่งโกรธแค้นแล้วก็ผลท้ายไม่ได้อะไรนฮะกองทัพพระเจ้าวิูุดาภายกมาถล่มทลายกลุ่มกบินภั ก็ฆ่าราชวงศ์สากยะซะเยอะแยไปหมดเตัวเองก็กลับไปยังไม่ได้เป็นไปจะเป็นดินนะฮะถูกแม่น้ำมาจิรวดีหลากท่วมตายหมดเรื่องที่จริงตัวอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเยอะแยะแต่คนก็จะลืมเรื่องเหล่านี้เพราะอัศมิมาณะเนี่ยมันสูงพระพุทธเจ้าเนี่ยพอจะรู้แล้วเนี่ยทรงใช้สัปนามพรมเองมาตาถาคต คือแปลว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นเป็นกระบวนการของธรรมะที่ทรงแสดงแกพระวักการีว่าวักคารีพ็ิขุลงถอยออกไปจะมาดูใหญ่ร่างกายแต่ฐาคตเป็นของเปลือเน่าู้ไดเห็นธรรมู้นั้นชื่อว่าเห็นเราบุไดเห็นเราบุนันชื่อว่าเห็นธรรมตรงก็เป็นกระบวนการของธรรมะแล้วก็มีคนมากราบทูลถามเรื่องชาติเรื่องโคตร รับสั่งว่าก็ไม่ควรจะถามเรื่องขาดยังชาจึงโคตรกันแต่ควรจะถามถึงธรรมถึงการปฏิบัติดีกว่าพอจะเอาชาติโคตรมาคู่กันเนี่ยอย่าลืมว่าสุริยวงมันเป็นวงสูงสุดวงพระพุทธเจ้าเนี่ยบรรดาการศัตร์ในชมพูทวีปเนี่ยสุริยวงก็ถือว่าสูงสุดก็ถือว่าสืบเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ก็เป็นเรื่องสมมุติบัญญัตินั่นแหละแต่ว่า แต่จะถือเป็นเครื่องมือมันก็ดูหมิ่นคนอื่นได้แต่ว่าเอาไปใช้แล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาโคดก็หมายถึงสกุลเผ่าพันธุ์ที่สืบต่อกันมาเราจะเห็นว่าอย่างเมืองไทยเราเนี่ยมันเริ่มจากอยุธยาก็เป็นเรื่องโคดเนี่ยค่อนข้างแยแรงแล้วก็พยายามจะรักษาโคตของตัวเองเอาไว้ก็กลายเป็นผู้ดีแปดสาแหลกก็สืบต่อกันไปถ้าเราดูทางด้านเหนือเนี่ยเราจะเห็นว่า พ่อเป็นเจ้าลูกเป็นเจ้าเป็นเจ้าลูกเป็นเจ้ากี่ชั่วโคตรก็เป็นเจ้ากันหมดเลยก็กลายเป็นอิสระชนคืออยู่เหนือคนอื่นเอาคนอื่นมาเป็นลูกน้องมาเป็นทาสมาเป็นบริวารมารับใช้ตัวเองก็ได้ยิ่งใหญ่อยู่เหนือหัวคนอื่นทางด้านลาวเนี่ยก็มีแนวอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นว่าอย่างในเมืองไทยเนี่ยมาถึงสมัยการที่สี่เนี่ยกันก็ไปตัดตาว่านับเป็นเจ้าตั้งแต่หมอมเจ้าขึ้นไป พอตาจะเล่นอย่างนั้นแล้วก็เจ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยเพื่อจะลดมานะความถือตัวโดวยอาศัยชาติอาศัยโคตอาศัยสกุลเนี่ยเพราะโคตรมันสืบไปได้เยอะเลยก็อย่างเวลาเนี้ยเราจะเห็นว่าอย่างผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดีนะฮะทั้งสองคนเนี่ยนักประวัติศาสตร์เชีย้ยเห็นว่า ทางยอดบูธและอังกอรเนี่ยยอดบูธมันสืบเชื้อสายกษัตริย์กษัตริย์เซนเจมมาเลยนะฮะคือในราชวงศ์อังกฤษนี่ก็สืบมาหลายหลายราชวงศ์แต่อังกอ ร, ก, อรก็มีเชื้อสายเกี่ยวข้องกับทางด้านเยอรมันแล้วก็เป็นนับเป็นญาติที่ก็สาวไปถึงระหว่างท่านกระนางเจ้าอเดสเบดบิงคินตันก็ลักษณะอย่างนั้น แล้วก็เรแกนก็มีลักษณะอย่างนั้นก็จะจริงแค่ยังไงเนี่ยมันไม่ีใครไปพิสูจน์หรอกแต่หมายความมาโคดเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือในการให้คนอื่นเขายอมสยบได้ทีนี้มนุษย์มันมีตัณหาเนี่ยมีตัณหามันก็ได้มานะมีตัณหาก็ได้มานะคือว่าอยากได้เนี่ยก็คืออยากเป็นอยากได้ก็อยากเป็นมันก็เป็นได้แก่พอได้มากมันก็เป็นมากเป็นมากมันเกิด ทางการก็รู้สึกว่าเราเป็นแล้วกลายว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ก็มาประลบชาติมาประลบโคตรมาประลบความเป็นบุตรแห่งส ก, กุลเราสังเกตว่าชาติเนี่ยจะพวกพวกระรางในถือเองว่าเป็นถือว่าตัวเองเป็นผู้เจริญแล้วก็ดูมินนะพวกตะวันออกพวกอัสริกาเนี่ยว่าเป็นบาบิเรียนเป็นคนปาเถื่อนพวกล้านา น, านิคมเราจะเห็นว่าเป็นพวกกรัรง ตั้งแต่สเปนโปรตุเกสตอลันดาอังกฤษ อ, อเมริกาเนี่ยฮะเป็นกปกกระดังชอบลานานิคมว่าดูถูกดูหมิ่นชนชาติอื่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวเนื่องกันระวังตระหนามารณทิชชีแต่ตัวใหญ่เนี่คือทิชชีมันผิดมาตั้งแต่ต้นนะฮะเป็นทฤษฎีผิดที่ตั้งตั้งทฤษฎีผิดมาตั้งแต่ต้นยานได้เคยบอกว่าในเมืองไทยเราเอง เราก็พยายามที่จะคุยอวดนะครับว่าเราไม่มีชนชั้นไม่แบ่งเป็นพักเป็นพวกไม่แบ่งอะไรเมืองไทยนี่แบ่งเละเลยนะ ค, คือถ้าเราไม่แบ่งแยกแล้วประเทศชาติเราไม่เป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันก็เสียสร้างเก่งคือตีสองหน้าได้ดีเวลาเข้าในที่สมาคมอะไรในที่บังแทงเนี่ยแต่มาเคยไปในที่หนึ่งเพราะว่าเรา ได้รับรางวัลกิตติคุณสัมพันธ์สังเงินรุ่นก่อนนะฮะ ร, รุ่นก่อนนอะมากๆพอรุ่นต่อมารับเนี่ยเขาก็เชิญไปก็เราไปถึงเรารู้สึกมันมันสยดสยองการเข้าร่วมกิจกรรมในลักษณะนั้นเนมันเป็นอาการสยดสยองกลายกลกรสุนหน้ากากใสก็หากันแต่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้ไม่เคยโปรไปเลย อันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นว่ามนุษย์จะหลงตัวเองแล้วก็ทับซ้อนอยู่เป็นอันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอกภาพภายในชาติบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีการดูถูกดูหมิ่นกันลึกๆเนี่ยฮะมีการดูหมิ่นกันดูแต่ถามว่าทุกวันยังมีไม้เราดูละครก็ได้นะดูละครที่เขาเล่นในโทรทัศนะ์ดูลงสือที่เขาเขียนอะไรก็ได้ แสดงให้เห็นว่าเชิดชูชาติพันธุ์ของตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นญาติของตัวเองก็เรชาติพันธุ์เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเกิดคนละท้องถิ่นเพมันเอาภาคมาดูหมิ่นกันเอาจังหวัดมาดูหมิ่นกันเอาการศึกษามาดูหมิ่นกันเออะไรมาสารพัดเลยนะย่านสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราลองดูว่าคนไทยในนี้มีกี่จังหวัดกบอยู่แถวยศยากรุงเทพนั่นแหละในแวดวงตรงนี้มีมีไม่กี่จังหวัดครับ จะรู้สึกตัวเองว่าคนไทยแต่คนภาคอื่นมันก็กลายเป็นลาวเป็นแกวเป็นแขกเป็นอะไรต่ออะไรไปแล้วก็มีความรู้สึกดูหมิน่นเวลาเขียนหนังสือหรือแสดงอะไรนะฮะคนจะต่างจังหวัดแล้วจะเชยเชยเดือดเดอเป็นคนใช้อะไรตนะ่ออะไรเนี่ยเวลานี้ก็ลองสังเกตนะตัวอีสาสนในสมัยมากจะเป็นคนใช้ตัวอีสานพวกภาคเหนือเนี่ย ปากใต้เอามาเล่นเป็นคนใช้แล้วกลายเป็นลทัทธิลัทธิตยอมสยบคือมาอยัางเคยตั้งข้อสังเกตที่ปากใต้เนี่ยว่าเราดูแล้วคล้ายๆกับเรายิงเราภักภูมิในความเป็นของเราแต่ถ้าเราดูเรื่องวรรณคดีเรื่องการเล่นต่างๆแล้วมาดูมิตรชาติพันธ์ตัวเองคือคนพูดปากใต้เนี่ยจะไม่หนีโอกาสเป็นนายเลย เป็นตัวรับใช้เป็นตัวเสนาเป็นตัวเล็กตัวน้อยนะฮะพวกเจ้าพวกอะไร่อะไรก็จะพูดเจ้านะทำไมโบราณไม่ได้ค่าหลวงผู้ค่าหลวงกันนะแล้วพวกนี้ก็ยอมสยบก็กลกายเป็นเรื่องที่น่าสลุเพราะในกระาพาตรงนี้มันเกิดได้ยากความเป็นอัศมิมานะเนี่ยมาเน่าบัลเป็น่างนั้นเราเป็น่างนี้เราเหนือกว่าคนอื่นมันก็กรจายตัวเองออกไป ประลบชาติประลบโคตประลบความเป็นลูกหลานของสกุลนะจะกุลพูดดีสกุลชั้นสูงไฮคลาสอะไรแต่ไรก็วากันไปเพียงก็โฆษณาหนังสือชื่ อ, อไฮคลาสให้เด็กไปหามาดูก็เ ป, ดดเปิดดูก็ไม่เห็นมีอะไรว่าคนที่มันปลุกปลุกเสกขึ้นมาแล้วก็ให้กลายเป็นคนชั้นสูงก็เรียกไฮคลาส โดยมากแล้วจะใช้สถานะทางเศรษฐกิจกับสถานะทางสังคมเศรษฐกิจกับการเมืองกับสังคมเนี่ยฮะถามว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้หรือเปล่าเอาเศรษฐกิจเป็นตัวกาหนดความเป็นไหคราสนี่ได้ไหมเอาสังคมเป็นตัวกาหนดได้ไหมเอาการเมืองเป็นตัวกาหนดได้ไหมปรากฏมันไม่ใช่บทลงตัว ถ้าจะเอาตัวเป็นเกณฑ์กาหนดมันต้องวิชาจารณะคือความรู้กับความประพฤติจึงเป็นเกณฑ์กําหนดที่มาตรฐานได้เราลองสังเกตว่าบุคคลที่เป็นอิสรชนสูงสุดในสังคมเนี่ยคือสถาบันประมากษัตริย์ก็โดยชาติะกุลเนี่ยโดยโคตรโดยชาติโดยสกุลก็ถือว่าสูงสุด แต่ว่าหากว่าท่านไม่มีความรู้ไม่มีความประพฤติที่ดีนี่ยท่านเจริญไม่ได้ว่าในหลักการต้องกันในพุทธศาสนาก็แสดงว่าข no, um ัตติโยเสโทชนตระสิงเยโกตัดปฎิสารีโนวิชาเจนะสัมปันโนโสเสโทเดวามานุเสในหมู่คนได้ยังรังเกียจกันด้วยชาติหรือโคตเนี่ยกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ท่านที่สมบูรณ์ในวิชาคือความรู้ดีเจริญนาคือความประพฤติดีนั่นะเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์หลาย อันนี้ตัวอย่างมันชัดเจนนะฮะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์ของเราอย่างครับองคุลิมาเนี่ยอดีตอดีตมหาชนนะพระอุบาลีเนี่ยอดีตคนรับใช้เลยแต่เป็นปรมาจารย์ใหญ่ในสายของพระวินยัยและบางองค์ก็เคยเป็นกรรมกรมาเคยเป็นขอทานมาภิกษุณีบางองค์เคยเป็นภิกษุณีมาคนมีแต่ความชื่นชมกันทัน้งนน แสดงม่าเกณฑ์กำหนดมาตรฐานในแง่ของธรรมะกับในแง่ของโลกนั้นไม่เหมือนกันในแง่ของธรรมมันกําหนดด้วยความหลงซึ่งกลายเป็นอัตราตัวตนแล้วก็ไปยึดติดในความเป็นในความเป็นจะยกตัวอย่างการเป็นพระเนี่ยบางก่อนก็ตอนนี้ก็ประรบหลายครั้งแล้วนะคือว่าเวลาไปอยู่ในแวดวงของพระที่ สมณศักดิ์พอเราจะพูดได้นะฮะหมายความว่าเราก็อยู่ในฐานะพอมีปากมีเสียงได้บ้างก็ต่้งขอสังเกตว่าเดี๋ยวนี้บัรชักจะหลงทางกันใหญ่เพราะว่าแทนที่จะหันไปดูว่าพระวินัยบรรดาทวายังไงทั้งทั้งที่เรียนมาแต่นาธรรมตรีเนี่ยพอสมณศักดิ์สูงสูงมันลืมวินัยหมดเลยคือพระเวลาเข้านั่งตามลําดับเนี่ยท่านจะนั่งกันตามลําดับพรรษา แต่มีพรรษามากกว่าก็นั่งกันตาพรรษาเวลานี้บรรดาเป็นแฟชั่นไปเลยเราถูกผลักขึ้นไปเลยนะเราไม่นั่งไม่ได้โดยบางทีผู้ใหญ่อายุตั้งแปดสิบเราสมณศาักดิ์สูงมาท่านนะ่ะท่านไม่ยอมนั่งข้างล่างถ้าไม่ยอมนั่งข้างบนให้ท่านนั่งข้างบนดังไม่นั่งอจะให้เราขึ้นไปนั่งเราก็ไม่ยอมนั่งเรามันผิดวินยัยท่านถือว่าผิดกติกาเลยไม่รู้จะเอาอะไรกัน อันนี้มันเกิดเป็นมานะขึ้นมารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลืมถึงไอ้เนื้อหาสาระของชีวิตจริงๆนะครก็ทําให้ถ้าเราขืนไม่ไ ม, ไม่ไม่ปรับเปลี่ยนตรงนี้ถึงว่าการทำความบบจริงบางทีก็มีคนวิาพากษ์วิจารณ์กันนะฮะว่าสมาศักดิ์ของพระนี่มันก็คือยศช้างคุณนางพระเมื่อยศช้างอยศชาวบ้านคุณนางชาวบ้านเนี่ยเขาเลิกแล้วคุณนางพระก็น่าจะเลิกก็ที่จริงมันถ้าเลิกก็ได้่นะ แล้วค่อนข้างดีซะด้วยแต่ว่ามันต้องเขาเรียกว่ากําหนดอะไรละ่ะอํานาจตําแหน่งหน้าที่ให้ในการบริหารศาสนามันต้องมีตําแหน่งมันต้องมีอํานาจมันต้องมีหน้าที่ส่วนสมณสัตว์นั้นที่จริงถ้าท่านใช้บวกมันก็ได้นะใช้เป็นมันก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ลบแล้วก็อันตรายก็อย่างบอกที่บอกว่ามานะเนี่ยมันปีกเกดประเภทละเอียด หรืถ้าหากว่าท่านเอามาใช้เป็นแล้วเกิดสํานึกรับผิดชอบเหมาะสมกับสถานะที่ท่านเป็นมันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าหากว่าเกิดเป็นหลงไปเสิร์ฟ ม, มาตาตัวเองเข้ามันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสลดน่าเสียดายเพราะความเป็นผู้มีรูปร่างงดงามเนี่ยจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ตามก็อาจจะหลงในความรูปร่างงดงามตรงนั้นเกิดมานะไปดูหมิ่นรูปร่างคนอื แล้วพอใครมนรูปร่างดีเด่นเห็นมีข่าวว่าจะเหนือตนเองก็ไปริษยาเขาก็ยุ่ทงทั้งหมดเลยเห็นไม้มว่าการที่รู้สึกตัวเองในรูปงามเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดมานะัเกนะเกิดอาสมิมานักเกิดอหังการมาเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้พอใครรู้สึกสวยกว่าเราจะไม่ชอบเราจะริษยาเขาเราจะเกิดแข่งดีในทีสุดก็บางทีเล่นมาถึงน้ํากดแต่ดิมีข่าวเนี่ย นั่นคือแสดงเหตุว่าเป็นทางมาของกิเลสที่จริงความเป็นผู้รูปงามก็ดีนะเกิดในสกุลสูงก็ดีเนี่ยมันเป็นผลจากบุญญาณิธิแต่โอกาสที่มนุษย์จะหลงทางชีวิตเนี่ยมันหลงได้ง่ายเพราะว่าไอ้บุญต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องอดีตมันส่งมาเกิดแล้วเราเติบโตในสภาพแวดล้อมที่มันกระตุ้นกิเลสหรือกระตุ้นธรรมะ ก, ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้หมายความว่า พอเกิดจะกุลสูงแล้วจะอะไรก็เรียกทวนผู้ดีนะฮะเรียกว่าเท้าติดดินนะมันคนเราคนเราต้องติดดินคือคือคนโดยธรรมชาติเนี่ยสูงสุดต้องสามัญที่สุดและสามัญ น, นั่นเองก็สามัญให้ดีมนุษย์จะต้องสามัญเพราะมนุษย์เสมอกันในแง่ของใจรัก แต่ เ, เขาไม่เที่ยงเป็นรูปเวนาตาแต่ในแง่สังคมนั้นการยอมรับรับถือกันทามสมควรแก่สถานะแต่ไม่ใช่เป็นเหตุที่เกิดมานะอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระเนี่ยพิจารณาว่าบบบนี้เรามีเพศต่างจากเครืดแล้วการกิริยาใดๆของสมณะจะต้องทำอาการกิริยานั้นๆที่จริงก็เกิดมานะมาณ์าว่าเราเป็นสมณะต้องทําให้เหมาะสมกับความเป็นสมณะ ชีวิตขอเรานื่องด้วยคนอื่นเราคนรําตัวพอเล่นง่ายมันก็เกิดมานะที่จะทําตัวให้เหมาะสมแก่สถานะของผู้อาศัยแต่ชาวบ้านไปคิดว่าพระอาศัยเราตักบาตรให้กินแล้วก็พอมีปัญหาอะไรก็ด่าทอกันมาอย่างนั้นเป็นบาปเดีเขาไม่จะสอนให้ชาวบ้านคิดแต่ก็สอนให้พระคิดพอพระคิดแล้วมันจะเกิดสมณสัญญาแต่พอชาวบ้านคิดมันจะเกิดโทสะแล้วมันจะเกิด จะได้การทำบุญการดักบาทการยกมือไหว้กันตัวเองแลผลพรท่าจิตใจพระคุณหมวอสาวมองเพราะมาณนาะโอกาสเสี่ยงต่อการที่จะเบี่ยงเบนออกไปสวมหน้าของกิเลสได้ง่ายท่องวังทั้ไหลายแต่ลงปู่ทิญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงตอนนี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมอหงำเพใ่บุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี